ปรสาทสดาแล้ว499รูปนั้นลาพระองค์ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าอยู่ตามบันนอกนุะองค์ที่500นั้นไม่ไปหมูไม่ไปบันนี้พวก499นั้นไปทำความเพียรไปมาก็สำเร็จอรหัน <c oughs> พอสำเร็จอรหันแ้วก็กลับมาพระเฝ้าพ้าอภิษฎธด า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาอพอได้ยินว่าท่านทั้ง499นั้นสำเร็จมรรคผลทรมิเศษแล้วแต่องค์ที่500นี้ไม่ได้ไปกับหมู่นี้ยังไม่สำเร็จเลยตั้งใจทำความเพียรเอาคืนนั้นไม่นอนเดินจงกลมว เดินไปเดินมามันง่วงนี่ตอนหัวรุ่งนะพอมันง่วงเนี่ยก็เลยล้มลงไปขามันไปสอดเอาไม้อย่างไรก็ไม่รู้เลยขาหักอืมล้มลงไปขาหากาักเหมือนอันพระสี่ร้อยเก้าสิบเก้าูปนั้นเวลาเดินทางมาจาวพระเาพระาตร า, า, ามาถึงชานเมืองมาเวะอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านหมู่นั้นเรื่อมสายศรัทธาข อ, อนนมนไปรับฉันบินทบาทในหมู่บ้านนั้นพระสี่ร้อยเ้าสิบเก้ารูปนั้นก็ของเป็นเพื่อนกันกันกบพระองค์นี้พอรู้ว่าพระองค์นี้เกิดวิบัติขึ้นอย่างนั้นก็พากันมาช่วยเยียวยารักษากันมสมัยนั้นเห็นจะไม่มีโรงพยาบาลไงก็ไม่รู้นะ จะมาช่วยรักษาพยาบาลกันอยู่เลยไม่ได้ไปฉันบินธบาทตามที่ญาติโยมเขานิมนต์ตามนัดเลยพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงบุพกรรมของท่านเหล่านั้นกับพระองค์ขาหักมันว่าแต่ชาตก่อนหนุนหลังนูน้น พวก499นั่นเป็นนักศึกษาตั้งใจท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้สางๆที่ตนเรียนได้วันนี้ก็เอาไก่ตัวหนึ่งไปเลี้ยงไว้สำหรับเพื่อให้มันขันยามตอนดึกมันขันจ ะ, จะได้ปลูกให้ตื่นขึ้นมาเรียนท่องบนจดจำไอไก่ ตัวนั้นมันก็เกิดเป็นไก่เสนียร์จันไรยังไรก็ไม่รู้ฟังว่าอมันไม่ถึงเวลาควรจะขันมันก็ขันทีนี่อย่างพอเที่ยงคืนมันก็ขันอันพอมันขันเขาแล้วพอตื่นกันขึ้นมาตื่นขึ้นมามันยังดึกมากทีนี่ง่วงเอา นานมาก็ไก่ตัวนี้มันก็ขันไม่เป็นเวลาหมิล า, วลาพวกนักศึกษาแล้ว้ก็เลยจับมาฆ่าแกงกินซ้ําเลยเ อ, อแต่เราก็แปลกแแท้ๆยังไงบัตรชาติสุดท้ายมาอย่างไรได้มาเกิดร่วมกันอจะเป็นสหายกันด้วยไก่ตัวนั้นก็เลยมาเกิดเป็นคนที่ได้ออกบวชพร้อมกันกันกนกบ499องค์นั้น แค่ว่าฤิ์สัยของไก่นอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันก็เลยไม่ได้มักได้ผลอะไรกับเพื่อนนะทำความเพียรจนหมดคืนก็ไม่สำเร็จได้นี่เนะนี่ยนะี่เหลยให้พากันคิดเอาการศึกษาเราเรียนนี่มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเลยตังแต่ดึกดำบรนนะไม่ว่ายุคใดสมัยใดผู้ ไม่ได้ออกบวชอยู่ครองเรือนก็ต้องหาเรียนวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพตามถนัดใจของตนของตนเป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่มีความรู้ความฉลาดในวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งการไปครองเรือนมันก็ไม่สนุกสนานอะไรเลยมัวเต็ทุกข์ ทำการงานกากกรรมเป็นคนรับจ้างเป็นกรรมกรแบกแบกหามหามไปอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นผู้ดีทั้งหลายเขาจึงไปหาเรียนกันให้มีความรู้ความฉลาดแล้วจะได้มีการงานทำอันเบาๆทำงานอยู่ในร่มเส่นเป็นพ่อค้านั่งดีดลูกคิดอยู่กับร้านของตัวเอง ขายของให้ลูกค้าไปตอนนี้มาเป็นนักบวชก็เป็นเช่นนั้นนะเอ ม, มาเป็นนักบวชก็ต้องเรียนเรียนทำเรียนวินยัยให้รู้ให้รู้ให้เกิดความรู้ความฉลาดในทำในวินยัยนั่นนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นต่อไปเบื้องหน้า มันต้องคิดอย่างนั้นคนเราเนะี่ยอย่าไปคิดสั้นๆความรู้นี่มีไว้แล้วไม่เป็นภาระหนักแก่ใครทั้งหมดมีแต่ทำให้ชีวิตนี้เบาไปเรื่อยคนใดมีความรู้ความฉลาดแล้วไม่นักหน่วงมันหนักอกหนักใจกับคนไม่มีความรู้ความฉลาดนี่ น, ะนั่นแหละเอาเป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้นะ ถ้าบุญวัฒนามีหักอยู่ไปนานเช่นนี้ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเข้าสังคมไหนก็เกอ้อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครเขาถามธรรมะธรมโมมาก็ชี้แจงอธิบายให้เขาฟังไม่ได้นี่แล้วหากมีวัฒนามรมีอยู่นานไปมันก็ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นครูเป็นอาจารย์ของคนอย่างนี้แหละไม่มีความรู้แล้วจะไปสอนลูกศิษย์ได้ยังไงแบบนี้เช่นนั้นนะ่ะมันต้องคิดเผื่อไว้ ม, <c oughs> มันต้องคิดให้กว้างไว้คนเราเนะี่ยอย่าไปคิดแคบๆ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 นั่งภาวนาไปถึงบทใช้ปัญญาก็ต้องนึกถึงอุบายาต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวเอามาสอนจิตนี้เข้าไปในธรรมะแต่ละกันแต่ละสูตรพระองค์ทรงแสดงไปนั้นก็มีอปมุอปมาอุปมาษ เกือบทุกกันเลยทีเดียวนั่นแหละการอุปมาทางส่างวันนีนะ้มันเป็นอุบายอุบายสอนจิตถ้าจะสอนกันตรงๆอย่างนี้นะมันไม่ค่อยเชื่อใจนี่มันไม่ค่อยลงเป็นอย่างนั้น <c oughs> เช่นอย่างที่ว่า พระองค์เจ้าทรงเปรียดธาตุสี่นี่เหมือนกับเพชฌฆาตสี่คนมาแต่ในทิศทางสี่นั่นนะมาเพื่อจะมาทำลายชีวิตของบุคคลในโลกนี้อย่างนี้นะอันบุคคล เมื่อเห็นเพชฌฆาตนั่งเข้าแล้วก็ปากันสดุ้งหวาดเสียวแต่ถึงจะสะดุ้งอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเพชฌฆาตคือความตายในมันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราแมนจะเหาะเหินเดินอากาศไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็หนีไม่พ้น มัจุราชมันก็ติดตามไปทุกแห่งผลดังนั้นทุกคนต้องให้กลัวต่อมัจุราชคือความตายมเมื่อกลัวแล้วทำอย่างไรกลัวแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าทำยังไงถึงจะพ้นจากอำนาจของมัจุราชภัยนี้ไปได้ อันมันจะพ้นจากอำนาจมัจจุราชนี่ก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปนั่นแหละถึงจะพ้นจากเงื่อมมือของมัจจุราชคือความตายถ้าหากว่าจิตนี้ยังได้มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันหานี้อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายทุกชาติไปเลยทีเดียว ก็จะต้องได้รับความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าขันหานี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสําหรับเตือนใจว่าเราจะพ้นจากมัจจุราชคือความตายนี่ไปได้ก็ต่อเมื่อเรามาระความยึดมั่นถือมั่น ในขันห้านี่ว่าเ ป, ป็นโตเป็นตนเสียได้จิตนี่เมื่อละความถือมั่นในขันห้านี่ได้มันก็อยู่เหนือขันห้าแบบนี้อันนี้ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำอยู่เหนือโลกแท้ที่จริงแล้วก็หมายความว่าจิตอยู่เหนือขันห้าเหนืออย่างไรอ่ะเหนือคือจิตนี่มัน เพียบพร้อมไปด้วยอริยมรรตสินก็เป็นอริยกันตาสินสมาธิก็เป็นอริยปัญญาก็เป็นอริยหรือว่าสินก็เป็นอธิศินสินยิ่งจิตก็เป็นจิตยิ่งปัญญาก็ปัญญายิ่ง เมื่อคุณธรรมสามอย่างนี่มันรวมกันอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้ว<ๆ>ก็ทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่แล้วทำให้จิตนี่มีปัญญารู้แจ้งความจริงของอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงได้คำว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงนั้นคือรู้อย่างไร รู้ว่าขันห้านี่มีคนยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันรู้มันเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าขันห้านี่ควรปรงควรวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อรู้แจมแจ้งได้อย่างนี้มันก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไป จิตนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไหวเพราะว่าโปรงวางแล้วนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วมันถึงไม่วันไหวนั่นแหละถ้ามันยังสําคัญว่าเป็นของเราอยู่เวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็วันไหวเพราะมันกลัวกลัวกลัวตายเลยเพราะมันถือว่าเป็นของเรากลัวเราจะตายอืม กลัวเจ็บกลัวปวดสารพัดหละมันกลัวไปละ <c oughs> ถ้ามันรู้แจ้งอย่างว่ามันปรงมันวางลงจริงๆแล้วอยงนี้มันก็ไม่กลัวแบบนี้น <c oughs> เพราะว่ามันรู้ทัดแล้วว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ของใคร <c oughs> ถ้าเป็นของตนจริงๆมันก็บังคับได้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 อาศัยความภาคเพียนนะสอนใจตัวเองเรื่อยไปคนเราที่ส่วนมากมันขาดความเพียนขาดความพินิษพิจารณาขาดอุบายแยบคายต่างๆดั ง, ดงกล่าวมานี่แนี่ยมันไม่ค่อยนึกคิดหมายเราว่าอย่างนั้นมีแต่คิดไปถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องชีวิตนี่ไม่ค่อยคิดถึง คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ใดคลองใจกับสิ่งใดก็มักจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่แต่ในเรื่องนั้นแหละอันซึ่งจะทวนกระแส จ, จิตกลับเข้ามาเพ่งที่นิตติอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ค่อยมีทีนี้เมื่อมัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าก็กลัวแล้ววันนี้นะ เพราะว่าตนไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าไว้แต่เนิ่นๆนี้เวลาปกติอยู่ก็มีแต่เมาส่งใจไปข้างนอกนู่นไม่ได้มีอวายแยบคลายสอนใจนี่ให้มันปรงมันวางขันห้า น, นี่ลงไว้ตามสภาพดังนั้นเมื่อเวลาเข้าที่รับขันมาก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวอย่างเต็มที่ร้องครวญคราง ร้องหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาญาติหาวงอะไรจระไรสนรพัดเมื่อมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วนึกว่าท่านเหล่านั้นนี่ยจะมาช่วยเหลือตนได้จกมาเป็นที่พึ่งของตนได้จึงได้เรียกร้องหาแต่ที่แท้แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ใครๆจะมาช่วยได้เวลา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 เราต้องตัดออกเลยเรื่องอย่างนี้นะต้องปรงลงเลยนะต้องคิดไวแต่เนิ่นเน่นเมื่อเวลาเราเจ็บหนักลงใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างเราจะพึ่งตัวเองมันต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนั้นมันจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจถ้าหากว่าไม่มีใครมาพนาอพนัพนโนเอาอกเอาใจเวลาเช่นนั้น มันชักจะน้อยเนื้อสาใจในี่คนเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้รู้ร่วงหน้าไว้เลยให้รู้เท่าไว้พอเราคิดไ้จนชินแลน้ววะนี่พอถึงเวลานั้นมานี่เราก็ไม่ต้องห่วงเลยใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างไม่ห่วงมีแต่จะมีสติ ประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นพอถึงเวลาเช่นนั้นมาแล้วบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมกำลังกันอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวนั้นเลยถ้าจิตนี้ไม่เข้มแข็งไม่รู้แจ้งอย่างว่านั้นนะ่ะมันจึงได้หวั่นไหวนั่นเอง วันไว้ไปตามความทุกข์เหนนี้ถ้าจิตให้ฝึกขวนดีอบรมสมาธิภาวนาเจริญปัญญาไปแต่เวลายังปกติอยู่อย่างนี้พอถึงเวลาเช่นนั้นมามันก็ตั้งสติได้ตั้งใจได้รู้เท่าทุกข์ได้ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าเสียใจไปทาขันห้าที่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่นั่นเน่ะ ก็เตือนตนได้เนี่ยอ้าวเราได้พิจารณามาแล้วไม่ใช่เหรือว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงของทั้งขันเป็นอย่างนี้เราได้พิจารณาแจ่มแจ้งมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่แน่นอนเราพิจารณามาแล้วถ้าได้พิจารณามาแล้วอย่าง Islands นี้ยังจะไปเสียใจเศร้าโศกอยู่หรือไม่แล้วไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเออ พอถึงเสียใจเศร้าโศกไปก็ชีวิตนี้ก็ไม่ได้กลับคืนมามีแต่เป็นทุกข์เปล่าๆเกิดสอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยใครมีอุบายสอนใจตัวเองได้ผู้นั้นก็สามารถโปร่งวางขันห้านี่ลงได้จิตนี้ก็ไม่หวันไว้ไปตามขันห้าที่มันกำลังแปรปวนจะแตกจะดับอยู่นั้นนะก็มีสี่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 แต่ว่าต่างคนต่างได้เผชิญคนละครั้งคนละคราวกันไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดอย่างนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ถึงเวลาใครมาแล้วผู้นั้นก็ต้องไปตามเรื่องผู้ใดยังไม่ถึงเวลาก็อยู่ไปก่อนกบาเพนไปอบรมอินทรียบรมีให้แก่กล้าไป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 <c oughs> <c oughs> ไม่แน่นอนเลยความชีวิตอันนี้นะแต่มันจะแตกกระดับวันไห น, นเวลาไห น, นไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้เลยดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอเสมอจึงต้องนึกถึงความตายนี่เสมอทีเดีย ว, วเพื่อกัรมาให้มันสะดุ้งหวาดกลัวในวถึงเวลานั้นมา ถ้าเราไม่นึกถึงบ่อยๆจนชินใจแล้วแน่นอนแล้วถึงเวลานั้นมามสะดุ้งวหวาดกลัวเป็นางนั้นต้องมานึกเสมอทีเดียวอะ่ะ อ, <c oughs> อันนี้นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่า คนส่วนมากนีมน่มันมันมักจะประมาทเผลอสติเห็นว่าตนกินได้นอนหลับอยู่ก็นึกว่าตนสบายสบายอยู่จะไม่ตายง่ายแม้จะมีอายุมากก็ไม่ตื่นตัวออจิตใจก็ยังมัวเมาอยู่กับลูกขับร้านขับป้านขับช่องอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นแหละออไม่ไรีบเตลียมตัวเกลียมใจ ไม่หัดปรงหัดวางปล่อยให้จิตมันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่พลุงพลังไปหมดจะอย่างนี้มันน่าเสียดายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเอาดีไม่ได้ดัง <c oughs> นั้นผู้ที่มีอายุมากก็ยิ่งเตือนตอนให้มงมากเข้าไว้เพราะามันไม่ใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแล้ว ถ้าไปหลงไปเผลอในเวลาจวนเจียนเช่นนั้นแล้วก็ขาดทุนนะไม่ได้ไปทางดีแล้วออมันจะไปทางดีได้ยังไงอ่ะเวลาลืมตัวเผลอตัวในเวลาเ อ, อจวนจะตายอย่างนั้นนะเมื่อมันเผลอตั้งสติสำรวมจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้อย่างนี้นะ จิตมันก็ต้องไปเกาะไปคล้องอือภ า, ายนอกนู่นน่ะอย่างได้อย่างหนึ่งแหละมันจะไม่สงบอยู่ภายในนั่นได้เลยใจมันจะตั้งมันอยู่ภายในได้ต่อมันรู้ชัดว่ามีที่พึ่งอยู่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละจิตมันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ต้องให้เข้าใจถ้าเผลอตัวแล้ว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 ในบุญในคุณนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทกภัยได้จริงๆเรล้วว่าเป็นที่พึ่งของใจนะเมื่อใจนี้ได้สั่งสมบุญคุณนี่ให้บังเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอยู่นี่ก็ได้ความอุ่นใจแหละเอาตายก็ตายขันห้านี่มันจะแตกกระดับก็แตกดับไปก็เ ร, รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรา มันจาเป็นต้องแตกดับไปตามกาลเวลาของมันวันนี้เราก็มีที่พึ่งอยู่แล้วเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วเราไม่อะไรแล้วขันห้านี้นะถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างเราสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาก็เป็นบ้านที่ไม่ค่อยถามอนเท่าไหร่อยู่นานไปนานไปมันชำรุดทรุดทรมไปซ่อมแซมก็ไม่ไหวแล้วนี้ มันก็คิดสร้างเรือนใหม่ขึ้นเมื่อได้เรือนใหม่แล้วมันก็ทอดทุระอะไรในเรือนเก่าทิ้งหมดเลยไม่เสียดายแล้วเพราะว่ามองดูมันชำรุดทรุดโทมไปหมดแล้วเรื่องอะไรยังจะไปเสียดายกับเรือนอันชำรุดทรุดโทมอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยเมื่อมาพิจารณาเห็นร่างกายสังขารนี่มันชำรุดทรุดโทมไป เต็มที่แล้วเยียวยาไม่ได้แล้วนี้ก็ปรงก็วางลงตามสภาพมันแล้วก็ไม่ส่งจิตไปเกาะไปคล้องอยู่กับวัตถุภายนอกอย่างอื่นได้สำรวมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณหรือตั้งอยู่ในความรู้จริงเห็นแจ้งในปัจจุบันนี้เลยตนรู้เห็นสังขาร น, นามรูปนี่อย่างไรตามจริงอะไรก็กําหนดรู้เห็นอยู่นั่น ก็กำหนดรู้ว่าขันห้านี่มันไม่เที่ยงกรู้ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นรู้ว่าขันห่านี่มันเป็นทุกข์ทนยากทนลําบากมันทนทานตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มันก็ย่อมแปรปรวนไปตามการเวลาของมันก็กำหนดรู้จรงิงตามจริงไปอย่างนั้น <ừ. S 1> <ừ. S 2> เมื่อเคยพิจารณารู้เห็นว่าขันห่านี่ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาก็กำหนดรู้เห็นอยู่นั่นในเวลาชวนเจียนจะแตกจะดับอยู่อย่างนั้นนะก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันเจีมแจ้งอยู่ในปัจจุบันนั้นได้ทำได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มักได้ผลทำมิเิตก็ไม่เป็นไรแต่จิตก็ไม่ได้คล้องอยู่ในโลกอันนี้ พาจิต อ, ออกจากร่างนี่แล้วบุญกุศลที่ตนรวบรวมเอาไว้นี่แหละเป็นยานพาหานะรองรับเอาดวงขิดนี่ไปสู่สุคสตสถานอืมเดียว่าไปสู่สถานที่มีความสุขความสบายไปที่ไหนก็ช่างเลยเพราื่อจะขอให้ไปสู่สถานที่สุขสบายแล้วก็พอแล้วอืมขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะ มันจะพาคนไปสู่ทุกข์ไม่มีอันนี้คือเชื่อว่าคุณพระรัตนกไกลแล้วนะมันจะนำคนไปสู่ทุกข์ก็ไม่มีเราก็เชื่อมัน100่นร้อยเอร์เซนลงในใจอย่างนี้นี่ละเหมือนอย่างอันหอค้าเรือสำเภาแต่ในอดีตการเจ็ดร้อยคนนะชวนกันเอาสินค้าลงเรือ แล้วไปขายในเมืองอื่นนู่นสมัยนั้นก็คงแล่นเรือใบในคนเจ็ดร้อยคนนั้นก็ผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้นับถือคุณพระรัตนกรและรักษาศีลห้ามีเพียงคนามรติเขานั่นแหละทีนี้พอเรือแล่นไปแล่นไป มันไปกระทบคลื่นอย่างแรงเรือก็แตกแตกก็มันก็มันก็ไม่แตกแล้งออกไปทีเดียวมันก็แตกเป็นรูน้ำก็ไหลเข้าเรือคนทั้งหลายนั้นกลัวตายผู้ใดนับถือสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นให้มาช่วยจนแต่ก็ไม่ไวายที่จะกลัวร้องห h o ร้องไห้กันะนั่นวันไว ทั้งปากก็พ้ำลำพันถึงสิ่งที่ตนเคารพนับถือมันก็ไม่หายกลัวส่วนอุบาสกนั่นนั่งสงบตัวอยู่เฉยๆนึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำมาคือว่าก่อนที่จะลงเรือไปคาก็ได้ไปวัดทำบุญถวายทานสมทานศีลกับพะไกรสรณาคมกับพระแล้วก็จึงลงเรือไปคา เมื่อถึงภัยพิบัติมางนั้นเพื่อนก็นั่งสงบจิตนึกถึงความดีที่ทำมาเป็นอารมณ์อยู่คนทั้งหลายก็เห็นอุบาสกนั้นไม่หวั่นไหวก็จึงได้ถามอ้าวนายความตายจะมาถึงอยู่เรามาลอดแล้วนายทำไมไม่สะดุ้งหวาดกลัวอะไรเลยนายทำยังไงอยู่อุบาสกนั้นก็บอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความตายมัน มันจะมาถึงในนาทีต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจรึงได้นึกถึงบุญคุศลคุณพระรัตนกรกลที่เราได้สมทานมาได้บำเพ็ญมาเป็นที่พึ่งอยู่ในใจออข้าพเจ้าคิดว่าบุญคุณนี่แหละจักนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้บรรลุถึงซึ่ ง, ง, งความสุขได้ถ้าจะมามัวเมาเสครัวร้องให้ร่ำไรอย่างนี้นี่เข้าใจว่าจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เอ๊ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านได้ช่วยประกาศศีลและพระไตรสารณาคมให้พวกเราด้วยเป็นยังไงพวกเราก็อยากทนทุกข์เหมือนกันเอาก็ได้สิเป็นไรอ่ะก็จัดคนเป็นพวกเป็นพวกพวกละร้อยละร้อยเพราะว่าถ้าว่าจะไปประกาศศีลและพระไตรสารณาคมไม่ทีเดียวไม่ได้ยินทั่วถึงกันเลยคนทั้งเจ็ดร้อย ก็ประกาศศีลและไกลศารนาคมให้ร้อยทีแรกน้ำก็ขึ้นมาเพียงครึ่งแข้งพอประกาศศีลให้ร้อยที่สองจบลงน้ำก็ขึ้นมาเพียงแค่หวัวเข่า <ừ. S 1> พอประกาศศีลจบร้อยที่สามน้ำก็ขึ้นมาเพียงครึ่งขานั่นเลยพอประกาศสุดร้อยที่สี่จบลงน้ำก็ขึ้นมาเพียงโคนขา พอประกาศจบชุดที่ห้าน้ำก็ขึ้นมาเพียงเอวขอประกาศสินให้จบลงชุดที่หกน้ำก็ขึ้นมาเพียงอกขอประกาศสินจบร้อยที่เจ็ดน้าก็ขึ้นมาเพียงคอเสร็จแล้ววาสกุก็เตือนคนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจง ระลึกถึงศีลถึงคุณพระระัตนาไกรที่ตนได้สมทานแล้วว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตอนอย่าไประลึกถึงสิ่งอื่นเป็นอารมณ์คนเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามที่อุบาสกนั้นแนะนำสั่งสอนแล้วก็พร้อมกันตายอา น, นิสงส์แห่งอศีลแห่งทานการกุศลอา น, นิสงส์แห่งความเลื่อมใสเคารพในคุณพระระัลตนาไกรนั้น ก็ส่งคนเหล่านั้นทั้งเจ็ดร้อยนั้นไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิงส่วนวิมานของอุบาศกนั้นสูงกว่าเพื่อนนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาอันนี้แหละได้ชื่อว่าบุญก็ดีคุณพระรัตนาไกลก็ดียอม <c oughs> ยอมเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัย ของจิตใจได้จริงๆส่วนทุกข์ทางกายในี่ใครจะไปกำจัดไม่ได้หรอกในเมื่อมีรูปมีกายนี่อยู่ตราบใดมันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็มีการเกิดการแตกดับทำลายไปตามเรื่องของมันแต่สำคัญเรามาทำจิตนี่นะไม่ให้เป็นทุกข์ได้นั่นแหละนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจิตนี่มันยอมเล่ร่อนไปหาที่เกิด อยู่ร่ำไปถ้าว่ามันไม่รู้แจ้งทำของจริงตราดใด ม, มันก็ไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรไปหาเกิดในสถานที่มันชอบใจ <c oughs> อยู่ในโลกอันนี้แหละนี่เองพาพากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีดังนั้น <c oughs> การที่เราฝึกขาดภาวนาสมาธินี่ ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกขัดจิตนี้ไม่ให้เกาะไม่ให้คล่องอยู่ในโลกนี้ฝออึกขัดเจริญปัญญาหาอุบายมาสอนจิตก็เพื่อให้ละอุปทานขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้หมดไปสิ้นไป เ, ออเรียกว่าไม่ให้จิตมันเกาะมันคล่องอยู่ในขันธ์ห้านี้ก็โดยอาศัยอุบายปัญญาอุปมาอปมาดังที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละ พยายามสอนจิตใจของตนของตนไปไม่มีใครแล้วจะมาสอนใจของเราชว่าให้ใจนี่มันละความยึดความถือในขันหานี่ได้ไม่มีมีแต่ตัวเขาเราแต่ละคนนี่แหละต้องพยายามสอนตนเข้าไปแต่คนส่วนมากนะ่ะมันอะไรนะมันไม่อยากพัดภาาจา ก, กขันหานี่บางคนพอ ได้ยินพระเทตแนะนำสอนให้ปรุงให้วางขันห้าเท่านี้ชักจะไม่ค่อยพอใจลุกหนีไปเลยก็มี อ, อ, อย่างนี้แหละมันห่วงหลายห่วงหลายออไม่อยากคิดไม่อยากหาอุบายสอนจิตของตนให้ปรุงให้วางขันห้านี้เลยอย่างว่ามีศรัทธาก็ได้ทำบุญคินทานไปตามประเพณี แล้วก็เอาละอาศัยบุญนี่แหละจะพาตนไปเกิดที่สุขสบายน่วมีอยายเกิดล่ำไปอยู่งั้นไนงะนั่นอันนั้นก็ห้ามไม่ได้เพราะอินทรียังอ่อนอยู่ไอ้ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรนี้แล้วแน่นอนแล้วมันต้องเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้ว เพราะว่าเมื่อยึดถือเนี่ยมันก็ต้องมีความพอใจแหละต้องอาลัยมันจึงยึดถือเมื่อมันมีความอาลัยอยู่อย่างนี้เวลาขันห้านี่มันวิบัติประโภตไปมันก็ต้องเวททุกแน่นอนเออพราะมันอาลัยมันเสียดายนี่เพราะฉะนั้นพระพิฆาตยงสัตว์ว่าปันจุปาดานักท่านธาดูฆ่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ มันเป็นทุกรวบยอดเลยประเดียวหมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายมันก็มารวมลงที่จิตใจยึดมัน่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเองแล้วลงกันข้ามความสุขอันสดใสอันบริสุทธิ์ฟุดฟ่องจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากจิตใจที่ โปรงวางขันห้าไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเช่นเดียวกันดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้